ดได้ออกเดินทางจากถ้ำชิงดาวไปพักอยู่ที่ถ้ำปากเพียงและทํากันต่างคนต่างอยู่กับพระภิกษุเกียนไปพักอยู่ที่ถ้ำนี้ก็สบายดีไม่มีเหตุการณ์อนไรปรากฏขึ้นนอกจากนี้ได้ออกเดินทางมุ่งไปอำเภอฟางไปพักอยู่ที่ถ้ำตับเตา่าบริเวณถ้ำตับเต่าในสมัยนั้นยังไม่มีหมู่บ้านคนได้ไปพบหลวงพ่อแก่ๆองค์หนึ่งชื่อหลวงตาพา ได้เดินเข้าไปถึงตีนธรรมปรากฏว่ามีสวนกล้วยสวน ม, มนนละละกอมีท่าน้ําไหลใสสะอาดมีถ้ำใหญ่อสองถ้ำถ้ำยาวหนึ่งถ้ำภายในถ้ำมีพระพุทธรูปโบราณเก่าแก่ตั้งเรียงรายอยู่หลายสิบองค์หลวงตาภาได้ทาการก่อสร้างพระพุทธรูปขึ้นองค์หนึ่งในถ้ำนี้องค์ใหญ่โตมากครันแรกเดินเข้าไปหาท่านทิคุติแต่ไม่พบ ลงเดินไปตามลาห้วยขึ้นเขาไปทางทิศตะ ว, วันออกได้เห็นคนแก่คนหนึ่งนุ่งกางเกงขาสัน้นใส่เสื้อแขนสัน้นสีแดงคราเหมือนสีย้อมอวนใหม่ๆใน ม, มือถือมีดกําลังทางตาท่าทีแข็งแรงเหมือนคนหนุ่มจึงเดินไปหาแล้วถามขึ้นว่าหลวงพ่อพาอยู่ที่ไหนพอมองเห็นตัวกันฑ์นักแก่ก็รีบเดินมาหาเราพร้อมทั้งถือมีดอยู่ในมือ เมื่อนั่งลงมองดูท่าทีกายเปนพระแล้วก็พูดกันว่าตัวฉันนี่แหละคือหลวงพ่อพาจึงได้แสดงความกรกุกหลังจากนั้นท่านได้พามาอย่างที่พักเมื่อถึงวุติแล้วได้ก็ไป ถ, าถ่ายเสื้อทายังเกงผมจีบอนสคีคํามีผ้ารัดอกในมือถือลูกประคำแล้วท่านได้เล่าลื่องธรรมต่างๆให้ฟังผมทั้งพูดป่าถ้าอยากจะอยู่จะมั่นสา ก, กับผมก็อยู่ได้ ถ้าเกษตของท่านมัน่นแต่อยังมาถือผมไม่ได้นะเพราะขณะนี้ผมกําลังสร้างพระพุทธรูปต้องขายกล้วยธ้ามมละกอเพื ร, รวบรวมเงินไว้สร้างพระพุทธรูปแต่ท่านฉันข้าวมือเดียวตอนเย็นท่านได้พาไปชมส่วนกล้วยส่มรกลกอที่ท่านทําขึ้นแล้วชี้มือให้ถูพร้อมกับพูดว่าถ้าท่านอยากหรือหิวเก็บไปฉันได้ฉันไม่ห่วง องค์อื่นห้ามเอาไม่ได้เราเองก็ไม่เคยคิดอยากจะชันแต่ก็รู้สึกขอบใจว่าท่านมีความเมตตากับเราทุกเวลาเช้ามืดได้ให้ลุกศิตน์นำกล้วยและมะละกอมาถวายทุกวันได้สังเกตเห็นเรื่องน่าแปลกประหลาดอยู่หลายอย่างเช่นนกยูงที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่านี้ไม่โกรธหลวงพ่ผาพวกนกเขาเวลาท่านทันข้าว ท่านกระวานให้กินไปบางคราวจับตัวได้พวกลิงพอถึงเวลายืนเย็นพากันลงมากินมะระกอกันเดินดาบไปหมดแต่มีชาวบ้านผ่านมาบ้าจระสัตว์พวกนี้จะหนีไปหมดภายในถ้ำกับเต่านี้มีพระพุทธรูปเก่าแก่อยู่เป็นจำนวนมากส่วนทํายาวแราจะเข้าไปต้องจุดตะเกียงเทปยุกเดินเข้าไปสูงบ้างทําบ้าง ผ่านซอกหินเข้าไปประมาณสามสิบนาทีจะได้พบพัะจดีเร็กองค์หนึง่งภายในถ้าลึกใครจะไปสร้างไว้ในสมัยใดไม่มีใครทราบเมื่อได้เที่ยวดูถ้าพอสมควแเก่เวลาแล้วก็ได้ออกเดินทางข้ามดงไปพักที่บ้านแม่นางกกบ้านนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่มีเนินเขาสูงอยู่ทางทิศตะวัน อ, ออกของหมู่บ้านได้พักอยู่ที่หมู่บ้านนี้ช่วลกางคืนหนาวมาก ได้ยินแต่เสียงเสือร้องสวนไปสวนมาข้างๆเขาในหมู่บ้านนี้ไม่มีวัดแต่มีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่องค์หนึ่งหน้าตักกว้างประมาณหนึ่งศอกคืบรูปด้านซับสวยมีผู้ไปอาราธนามาจากกลางดงได้พักอยู่ในบ้านแม่นางกกเป็นเวลาสองคืนแล้วก็ได้ล่ำลาญาติโยกออกเดินทางต่อไปได้เดินข้ามดงใหญ่เดินทางตลอดเวลาสองคืน ไม่ได้พบหมู่บ้านเลยก่อนจะออกเดินทางหัญาติโยมรูกเ ข, าเขา้าก็พากันท่าตามเราะระหว่างทางไม่มีหมู่บ้านที่จะบินตราตได้จึงได้พูดว่าไม่เป็นไรโยมระยะเวลาเพียงสองวันเท่านั้นฉันพอทนได้ขอให้มีน้ํากินก็แลพันดูมาวันหนึ่งก่อนออกเดินทางขณะเข้าไปบินตราบในหมู่บ้านถ้ากลับได้พบโยมผู้ชายคนหนึ่งแจ้งว่าเขาเอง ก็จะออกเดินทางไปเจียงแสนในวันนี้จึงได้เพื่อนเดินทางอีกคนหนึ่งได้มียมแก่ๆคนหนึ่งมาสั่งไว้ก่อนออกเดินทางว่าการเดินทางคราวนี้จะไปพบสถานที่ที่เขาบวงสงแห่งหนึ่งเมื่อไปถึงสถานที่นี้ก็ยังไม่พบกร่อมไม่ควรนอนให้ไปพักนอนที่อื่นเพราะที่ตรงนั้นผีปา่าดุมากไม่ว่าใครไปพักนอนเป็นเรื่องถูกรบกวนนอนไม่หลับตลอดคืน บางคราวเป็นนกบางคราวเป็นเสือบางคราวเป็นกวางมาคอยรบกวนไม่ให้นอนในเวลากลางคืนในที่สุดก็ตัดสินใจเดินทางข้ามดงใหญ่คณะที่เดินทางมีด้วยกันสามคนคือเราทัพพิสุกิณและโยมผู้ชายเมื่อเดินเข้าดงไปได้ก็ไปพบสถานที่นังกาเข้าจริงๆพรพภิสุกิณได้ทราบเรื่องที่โยมแก่ได้สั่งไว้จึงพูดขึ้นว่า ท่านอาจารย์อย่าพักที่นี่เลยจึงได้ตอบว่าต้องพักเป็นอะไรก็รู้กันในคืนนี้เราคงก็น้องพักในสถา น, นีแล้วได้พูดกับโยมว่าเครื่องบูชาเส้นส่งต่างๆให้โยมรือออกเอาไปเผาไฟให้หมดผีอะไรจะมาดีกว่าพระฉันไม่กลัวแต่จำเรืองดูหนะ้าพระภิกษุขียนเห็นหน้าซื่อเสียวไปหมด พอถึงเวลากรรมทนได้ก่อายขึ้นนั่งประชุมธรรมวัดสวดมนต์และบอกว่าขอให้เชื่อมั่นในพระบุตรคุณธรรมคุณและสังฆคุณขอให้ทุกคนเชื่อมั่นจริงๆในคืนนั้นเราเองก็ได้ตั้งอธิษฐานเข้ารกมูลหกกรดติดกับต้นไม้และใช้ทอดม้าหนุนชื่อสะนอนอย่างทรมานตัวไม่กลัวต่อความทุกข์ยากลำบาก ทุกคนให้นอนอยู่ห้างๆกันพอร้องเรียกได้ยินถึงกันต่างคนต่างอยู่อย่าเห็นแก่นอนให้มากนักเมื่อสามเสร็จแล้วตางคนต่างก็เข้ากดของตัวเนื่องโดยดากดำเดินทางมาายัางนิดเหนื่อยเรากำลังนั่งสวดมนต์อยู่โยอมรู้สึกกำลังนอนหลับได้ยินเสียงพระพิสุขเขียนนอนกลนและละมือแล้วก็เงียบไปตัวเองก็ชัรู้สึกเหนื่อย จึงได้ล้มตัวเอนหลังลงนอนประมาณสักครู่หนึ่งได้ยินเสียงเหมือนคนมรณะศิ ษ, ษ์บอกว่ารีบลุกขึ้นจะมีเหตุจึงสะดุ้งตื่นลุกขึ้นมาก็ได้ยินเสียงดังสู้ๆซาๆห่างจากที่พระภิกษุเขียนนอนอยู่ประมาณห้าบาจึงได้เรยกจุดเทียนขึ้นแล้วร้องเรียกปกให้ลุกขึ้นทุกคนได้ก่อไฟขึ้นแล้วนั่งสวดมนต์อยู่กลางตรงใดอันเงียบสงัด นั่งสงบเงียบสักครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงนกร้องแปรปูดตรงกับคำเล่าของโยมว่าถ้าได้ยินเสียงนกชนิดนี้ร้องห้ามนอนเพราะจะมีผีตะมอยมาดูดเลือด ก, กินทุกคนจึงต้องนั่งอดนอนกันจนมาะทั่งสว่างตอนเช้ามืดไดต้มข้าวฉันเมื่อฉันแล้วได้ออกเดินไปดู ร, บรอบๆที่พักได้เห็นรอยเสือกุดอินเป็นทางยาวทอมด้วยขี่ไมของมัน ในคืนนั้นได้แรากฎเหตุขึ้นเพียงเท่านี้เราจงสว่างเห็นได้มือก็ออกเดินทางต่อไปวันยังคำ่ำไปถึงภูเขา เ, เล็กแห่งหนึ่งมีน้ำตกใสสะอาดเสียงน้ำตกดังสนั่นหวันไวจึงได้พากันหยุดพักนอนหนึ่งคืนในคืนนี้ไม่ปรากฏว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นดื่นเช้าต้มข้าวฉันทานเสร็จแล้วก็ออกเดินทางต่อไป ถึงเวลาประมาณบ่ายหนึ่งโมงไป้พากันนั่งพักพ่อยู่ภายใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งโยมคนที่ไปดวกันก็เข้ามากราบดาจะรีบออกเดินทางล่วงหน้าไปก่อนจากกันตั้งแต่วันนั้นและไม่ได้พบกันอีกสองคนกับพระิสุขเขียนพากันเดินทางต่อไปจนเกือบมืดจึงถึงหมู่บ้านคนเลถามโยมในหมู่บ้านนงบ้าเห็นโยมคนหนึ่งผ่านมาในหมู่บ้านนี้ไหมปรากฏว่าไม่มีใครรู้เรื่อง วัออนรุ่งขึ้นได้ออกเดินทางไปจนถึงเมืองเชียงแสนเข้าพักอาศัยอยู่ในสวนแห่งหนึ่งประมาณสองสามวันแล้วก็ออกเดินทางต่อไปอยังจังหวัดเชียงรายเมื่อถึงจังหวัดจชียงรายแล้วได้ไปพักที่บ้าชาติกิเลสแห่งหนึ่งนอกเมืองก็ได้พบกับหลวงพ่อองค์หนึ่งเคยเป็นลูกศิษย์หลาวมาตั้งแต่ยังไม่ได้บวชชื่อหลวงตาหมื่นหารหลวงตาหมื่นหารได้พาไปแนะนําให้รู้จัก ผู้กํากับการตํารวจจังหวัดเชียงรายทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเดินทางกลับไปจังหวัดลําปางผู้กํากับการก็ยินดีต้อนรับช่วยเหลือเต็มที่ได้พาไปกว่ากับรถยนต์โดยสารจึงได้ขึ้นรถยนต์โดยสารเดินทางต่อไปจนถึงอำเภอพยาวได้ลงรถจนเที่ยงอำเภอพยาวแล้วออกเดินทางต่อไปเดินผ่านถ้ำผาไทยทางรกมากจนทะลุเข้าเขตจังหวัดลำปาง ได้ไปพักตยู่ในวาตเด็กแห่งหนึ่งทางทิศตะวนตันตกเฉียงใต้ของสถานีลําพางหนึ่งคืนรุ่งขึ้นได้ออกเดินทางต่อไปตามทางรถไฟไปถึงถ้าแห่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าถ้าแกงหลวงได้พักอยู่ที่ถ้ำนี้สามคืนรู้สึกสบายเพราะเป็นสถานที่สงบสงสดัดดีได้ออกไปเป็นปี่พักในหมู่บ้านก็ไม่มีใครสนใจใส่บากต้องทานข้ า, าวเปล่าอยู่สองวัน เกือกแม้แต่ก้อนเดียวก็ไม่มีถึงวันที่สามก่อนออกไปบินทบาตได้ตั้งอดทขันไว้ในใจว่าวันนี้ถ้าไม่มีกลับเข้าวตกลงในบาตรเราจะไม่ชันในที่สุดก็ไม่มีอะไรจริงๆมีแต่ก้อนข้าวเหนียวเมื่อกลับมาถึงที่พักแล้วก็มานั่งคิดพิจารณาถึงการที่จะเดินทางต่อไปทางหน้าจึงได้พูดกับพระภิกษุเขียนว่า วันนี้ผมจะเอาข้าวทานผาผมจะไม่ฉันจังหันจะมีคนเอามาถวายมากเท่าไรผมก็ไม่ฉันท่านเกียนจะว่าอย่างไรจะยอมทำอย่างผมไหมพระวิสุขเขียนตอบ่าผมทำอย่างท่านไม่ได้เพราะฉันข้าวพอบผามาสองวันแล้วชักจะอ่อนเพลียจึงพูดว่าถ้าอย่างนั้นผมจะต้องออกเดินทางก่อนท่านอยากฉันท่านก็ต้องอยู่ก่อน บางทีอาจมีคนเอามาถวายพูดแล้วก็จัดเตรียมบริขารออกเดินทางนึกในใจว่าวันนี้จะไม่ขอข้าวไข่กินโดยการเข้าไปบิณนบาบัดและเด่ยคำพูดถ้ามีใครมาไหวา้แล้วนิมนต์ให้ฉันจึงจะดฉันออกเดินทางไปได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงก็มีโยมหญิงคนหนึ่งวิ่งออกมาจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีประมาณสามลังคาเรือนยกมือไหว้ก่อนิมนต์ใหฉันอาหารในบ้าน แล้วก็พูดว่าเมื่อวานนี้สามีของดิฉันกรยิงเก้งได้มาตัวหนึ่งนึกกลัวบาปจึงอยากทําบุญกับพระฉะนั้นขอนหมนุ์ท่านไปให้ได้เราเองก็รู้สึกหิวอยู่บ้างเพราะฉันข้าวพอๆมาสมงวันแล้วสั่วันนี้ก็ยังไม่ได้ฉันเลยจึงนึกว่าฉานอีกเก้งเสียบ้างเถิดจึงรับในมนเดินจากทางรถไฟไ ป, ป น, นั่งพักอยู่ในปาเป็นจมาน่าใกล้ๆบ้าน ยอ ม, มอนิมนต์ขึ้นบ้านก็ไม่ไปพูดว่านั่งตรงไหนฉันตรงนั้นโยมจึงได้ยกอาหารมาให้สองสำพลัดพร้อมด้วยข้าวหนึ่งกองเมื่อรับประเคนแล้วก็นั่งชันเสีอเต็มอิ่มฉันเสร็จยะถาสัพพีให้แล้วก็ราโยมเดินทางมาตามทางรถไฟอีกสองคืนจึงถึงจังหวัดอุตรดิตถในจังหวัดนี้มีลูกศิษย์อยู่หลายคนแต่ไม่ยอมบอกให้ใครทราบ ได้เดินทางผ่านตลาดไปภากกิติภาช้าแห่งหนึ่งใกล้วัดท่าโทและได้ไป น, นอนคอยพระปุสขีนอยู่ที่วัดท่าเสาสองคืนก็ไม่เห็นมาจึงตัดสินใจว่าเราจากกันทางคนต่างไปไม่ต้องห่วงกันพอดีปีนั้นได้เดินทางมาถึงจังหวัดอุต ร, รดิตถักอยู่ที่วัดเก่เาๆข้างสถานีชุมทางบ้านดาดาประมาณไม่กี่วัน ไป้ไปนั่งพักเล่นอยู่ที่ศาลาเวลาประมาณบ่ายสองโมงเศษได้มีโ ย, ยมคนหนึ่งกับพระองค์หนึ่งเดินเข้ามาพักรถในศาลานั้นด้วยจึงได้สนทนากันทางได้ทราบเรื่องของกาละกันคือพระกับโยมสองคนนี้มีหนังสือหลายแทงออกเดินทางเที่ยวหากุศลตางสถานที่ปรากฏในหลายแทงจะเดินทางไปขุดที่จังหวัดพิษณุโลกโยมผู้ชายคนนั้นชื่อพันโทสุดใจ เป็นนทหารนอกราชการพอตกเย็นๆเขาก็ออกเดินทางจากไปจะไปพักที่ไหนไม่ทราบตอนช้ามืดนคือ น, นั้นเวลาจนสว่างได้ยินเสียงคนมาเรียกเราแต่ดึกนึกในใจว่าเอค่วัดมาเรียกจึงลุกออกมาดูมองเห็นพันโทสุดใจคนที่ได้พบกันเมื่อวานนี้เองจึงถามว่าโยมมีธุระอะไรเขาตอบว่า ผมนอนไม่หลับตลอดคืนในเวลานอนมันให้คิดถึงหน้าท่านเสมอเสมอว่าท่านจะไปอย่างไรคนเดียวจะไปถึงเมืองโคราชนูนนึกได้ก็อดสองสารท่านไม่ได้ฉะนั้นผมขอถวายค่ารถท่านเพื่อเดินทางไปโคราชสิบบาทเราก็แสดงความยินดีรับไว้โดยได้เรียกโยมวัดนั้นมารับแทนและเก็บไปให้พอตอกเวลากลางคืนไม่เกิดมีความคิดขึ้นมาว่า เขาจะมาหอกเราเสรกรมังนึกถึงธนบัตรที่เขามาถวายคงจะเป็นธนบัตปรปลอมกำลังพอคิดอย่างมีใจไม่ดีจึงเรียกโยมให้เอาธนาบัตรที่คนถวายไว้มาดูสิว่ามันปลอมหรือเปล่าโยมก็รับองว่าไม่ปลอมรุ่งขึ้นคืนที่สองท่านก็สุดใจได้มาหาอีกและพูดว่าผมใจไม่ดีกลัวว่าค่ารถที่ถวายท่านไว้จะไม่พอ แล้วเขาได้ถามว่าท่านจะไปเมื่อไรจึงตอบเขาว่าไปพวกนี้เขาตอบว่าผมจะไปจัดการซื้อตั๋วให้และไปส่งที่สถา น, นีแล้วเขาก็ลากลับพอรุ่งขึ้นเขาก็ได้ไปจัดการซื้อตั๋วเป็นเงินส1บอดบาทเดินทางได้ถึงโาราชและจัดการส่งขึ้นรถไฟโดยเรียบโดยได้เดินทางโดยทางรถไฟมาถึงสถา น, นีนครสวรรค์ ถึงสถานีนคะรสวรรค์เป็นปเวลากลางคืนหาที่พักก็ำบากมองเห็นศ า, าลาหลังหนึ่งป้องว่างอยู่ก็ได้เข้าไปพักที่นั่นผูกกดวางบาตและก็นั่งพักพ่นมียมคนหนึ่งอายุ ป, ประมาณกลางคนได้มาขอพักเป็นเพื่อนเราก็นึกว่าคืนนี้ถ้าเขาเป็นขโมยบาตและบริการของเราคงหมดเพราะรู้สึกเหนื่อยมากคงนอนหลับสนิท เอาละช่างมันในที่สุดก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรกลับได้ประโยชน์จากแกเสียอีกคือพอรุ่งเชา้าแกได้จัดสื้อาหารมาถวาเยเซตุเัมเวลาประมาณหนึ่งโมงเช้าก็ได้รีบขึ้นรถไฟพร้อมกับโยมคนนั้นเพื่อเดินทางต่อไปยมคนนี้แกอยู่ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดตราจีนบุรีแกได้เดินทางไปเยี่ยมลูกสาวของแกที่จังหวัดพิจิต เมื่อรถไฟถึงสถานีจุลถางบ้านพาชีเราได้จับรถกระโวนใหม่ในจังหวัดนครราชสีมาเดินทางถึงจังหวัดนครราชสีมาเวลาประมาณหกโมงย็นและไปพักกับพระอาจารย์สิงห์ซึ่งได้มาตั้งสํานักอยู่ในจังหวัดนี้เป็นเวลาสามปีแล้วได้สนทนากันก็ไม่ได้ทราบข่าวพรอาจารย์มั่นเลยว่าท่านไปทางไหนตกหลงก็ต้องจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดนี้จนชวนเข้ออารษา ได้มีโยมทางอำเภอกระโทูปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอโชคชัยได้มานิมนต์พระไปจำพรรษาในอำเภอนั้นพระอาจารย์สิงห์ได้ขอให้รับไปโปรดโยมคนนี้คือคุณอำนาจอํานวยกิจในอำเภอกระโทูจึงได้ตกลงรับเป็นโปรดโยมตามคําสั่งของพระอาจารย์สิงห์ได้ไปทําการอบรมพระเนรญาติโยมอยู่ที่อำเภอนี้เป็นเวลาสองปี ที่และเมื่อออกพรรษาแล้วได้ทราบข่าวว่าโยมผู้ชายป่วยมากก็ได้ดำริจะเดินทางไปบ้านเพื่อเยี่ยมโยมวันแรมแดค่ำเดือนส1บอดคุณอำนาจในอำเภอแต่นิมนต์ไปเทศที่บ้านก็จะออกจากวัดได้มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นเวลาประมาณบ่ายห้าโมงยิน็นแด้มีกระรอกผงหนึ่งประมาณหนึ่งร้อยตัวเศษได้วิ่งขึ้นไปอนหน้ากุฏิลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อทพิศกุล ตั้งแต่จำมันสา ม, มาตลอดพรราไม่เคยมีเหตุแปลกประหลาดเหมือนวันนั้นฉะนั้นก่อนจะออกจากวัดจึงเรียกพระเนนทั้งหมดมาประชุมกันที่กุฏิแล้วสั่งว่าคืนนี้ต้องมีเหตุขอให้ทุกคนพาคกรระวังตัวและให้ปฏิบัติ ด, ดังนี้คือหนึ่งเมื่อธรรมวัดสดมนเสร็จแล้วให้ทุกคนกลับไปกุฏิของตัวแล้วนั่งสมาธิอย่างสงบห้ามคุยกันทางคนทางอยู่ สองใครมีธุระส่วนตัวที่จะต้องปฏิบัติอันดีเช่นการเย็บจีวรห้ามทําในคืนนี้สั่งเสร็จแล้วก็เดินทางไปบ้านนาอำเภอเวลาประมาณหนึ่งทุ่มได้นั่งเทศจุบันธมาตศแสดงถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและอุปการะคุณให้ในาอำเภอพร้อมทั้งข้าราชการและญาติโยมชาวตลาดฟังเทศไปได้ประมาณสสิบนาที ก็มียอมผู้ชายทางวัดวิ่งมาหาสองคนขณะนั้นเราก็โมหลับตานั่งเทศอยู่ยอมสองคนไม่กล้าบอกรอจนเทศจบเขาก็รายงานอำเภอว่าพระเย็นถูกฝันที่คอแต่ไม่เขา้าเมื่อได้ทราบดั่งนั้นอำเภอจึงเรียกประหลอำเภอพ ร, ร้อมทั้งตำรวจพากันมาเสืบสวนเรื่องดาวที่วัดป่าช้าบ้องทีเราเดินตามไปเพื่อกลับปัด หน้าที่ได้เรื่องติดตามคนร้ายไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งและพบนายยินกับเพื่อนของเขาคนหนึ่งนอนอย่างไม่รับนายอเภอจึงได้จับตัวคนทั้งสองมาขังไว้ที่สถานีตํารวจทางอ ำ, ำเภอได้ทําการสอบสวนอยู่หลายวันส่วนทางวัดเราได้สอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคงได้ความสรุปได้ ว, ว่าการที่เรามาอยู่จมรสาที่วัดนี้ได้รับการยกย่องในการปฏิบัติจากนายอำเภอ ขาราชการชาวตลาดและคนในหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นส่วนมากรัฐต่างๆจึงเกิดการอิจฉาใน่พัฒนาให้เราอยู่จึงวางแผลงขู่ขันดยการทำร้ายร่างกายพระนายตำรวจก็ได้สอบถามปากคำในอินไม่เหยืห่อใดจึงไปฟันพระก็ไม่ได้ความเพราะในอินไม่ยอมรับในที่สุดหัวหน้าสถานีตำรวจได้มาบอกว่ามันจะรับหรือไม่รับก็ตาม ผมต้องขังไปก่อนเพราะอยู่ในอำนาจของผมพรุ่งนี้ผมจะนำตัวประสคงจังหวัดไม่ได้ชาติหนี้ก็รู้สึกสงสารนายอินจะว่าไปนายอินผู้นีเป็นนักเลงโตเก่าแต่เราเคยใช้สอยเขาเช่นให้ช่วยหาฟืนให้หวัดจึงเท่ากับเป็นสิธิ์ของเราคนหนึ่งฉะนั้นจึงขอให้หัวหน้าสถานีตารวจนาตัวนายอินในพื่นของเขามาหาในวันนี้ เวลาประมาณบ่ายสามโมงหัวหน้าสถานีตำรวจก็ได้นําคนทั้งสองมาที่วัดจึงได้พูดสอนในอินว่าเรื่องนี้ถ้าเราทําจริงเราไปเขาอย่าได้ทําไม่ว่าจะเป็นกรับหรือคราวาตขอให้ละเวน้นถ้าไม่ได้ทําจริงก็นับว่าในอินเป็นคนดีฉะนั้นวันนี้อาตมาขอบิณฑบาตในอินจากหัวหน้าสถานีตำรวจนับแต่วันนี้เป็นต้นไป ขออย่าให้ในยอินมาทำความเดือดร้อนให้วัดฉะนั้นขอให้หัวหน้าสถานีตำรวจปล่อยนายอินสตพัปนี้ไม่ต้องปอเวนต่อไปเป็นอันว่าเลิกคดีกันไปนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานายอินกลายเป็นคนสนิทของวัดใช้การใช้งานด้ทุกอย่างชาวอาเภอโชคชัยที่เคยอิจฉาวิทยาต่างพากันบาดเกรงยมาก คือพูดกันว่าโูกศิษย์ของท่านพอ่อคือพระเย็นถูกฟันด้วยมีดของตะเหนียวแต่ไม่เขา้ามือแผลยาเป็นรอยลากมีดถึงหนึ่งคืบ เ, เศษเพียงโูกศิษย์ของท่านยังถึงขนาดนี้ถ้าเป็นตัวอาจารย์จะถึงขนาดไหนความจริงในเรื่องนี้หาได้เป็นฉะนั้นไหมไม่ใช่เกี่ยวกับว่าพระเย็นนังเหนียวอยู่ยงคงกระพันแต่เป็นเพาะวันที่จะถูกฟันนั้น พระเย็นได้ยกเก้าอี้และจักเย็บผ้ามาไว้ที่ภารายกุฏิซึ่งสูงจากพื้นดินประมาณหนึ่งเมตรแล้วนั่งเย็บจีวงอยู่บนเก้าอี้คนร้ายยืนอยู่บนพื้นดินใช้มีดขอด้ามยาวฟันไหลยซ้ายด้ามมีดไปพทะเข้ากับเก้าอี้เลยมีแผลเปนรอนลามีดเท่านั้นเองต่อมาได้เรียกพระเนรทางวัดมาประชุมอบรมสัง่งโสในเรื่องนี้ว่าต่อไปนี้เมื่อมีเหตุอะไร ยาหวาดเกรงขอให้ทุกคนอยู่เย็ยนเป็นสุขตลอดไปผมจะลาไปเยี่ยมโยมที่จังหวัด อ, อุบลราชธานีลอกจากนั้นก็ได้ออกเดินทางไปจังหวัด อ, อุบลราชธานีเมื่อเดินทางไปถึงบ้านพอดีโยมกำลังป่วยหนักเป็นโรคชราเพราะอายุได้ห9้าปีเสดแล้วได้พยายามรักษาพยาบาลโยมอย่างใกร้จิตพอสมควรจนเวลาจะเข้ารรษาก็ได้กลับไปจำพรรษา ที่วัดป่าช้าบ้องชีทำเดิมนับแต่เป็นภาษาที่สองเมื่อกลับมาแล้วได้ทราบว่าโยมถึงแก่อันิจกรรมเมื่อเดือนสึกแรมสี่คั้มเมื่อออกภาษาแล้วโต๊ะสิบคิดถึงพระจานทรมั่นมากเาทุกทีจึงคิดแต่ในใจเดี๋ยวม่ได้บอกกับใครๆว่าในฤดูแรงนี้เราจะต้องไปจาวที่นี่จะได้ออกเดินทางปฏิบัติสารวัน จังหวัดนครราชสีมาเพื่อลาพระอาจารย์สิงห์ท่านก็อนุ ญ, ญาตให้ไปได้รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งจึงได้เดินทางกลับไปลาพระเนนญาติโยมที่อำเภอโชคชัยมีเพื่อนที่รักกันมากเป็นคนดูแลก่อสร้างวัดอย่างเข้มแข็งเขาได้พูดกับเราว่าไปแล้วถ้าไม่กลับมาจำารษาอีกจะแช่งใขาตายนะจึงได้ตอบว่าเรา เื่อพูดกันมามากแล้วในเรื่องไม่เที่ยงจะมาเอาะไรากันอีกเน่าเพื่อนคนนี้คือหมอวาดเป็นหมอประจำอำเภอโชคไทยนั่นเองวันต่วันนั้นก็ออกเดินทางเข้าป่าลึกในดองอีจาน่านไปทางกินกำเพนลนางรองจนกระทั่งถึงภูเขาพนมดงใกล้เขตจังหวัดบุรีรัมได้เพิ่มแต่ภูวิเวกอยู่บนยอดเขาสูงบนยอดเขาลูกนี มีป่าสาดหลายหลังมีสระน้ําใหญ่ๆอยู่บนยอดเขาเขาลูกนี้อยู่ห่างไกลหมู่บ้านมากวันหนึ่งไม่ได้ฉันทั้งคันแต่นั่งนอนภาวนาได้ดีต่อมาวันหลังได้ลงจากยอดเขามาพักอยู่ที่สะใหญ่เชิงเขาหนึ่งคืนได้อาศัยพิธบารมาฉันหลองจากนี้ได้เดินทางต่อไปอีกหลายคืนจะกระทั่งถึงอำเภอตะลงุงจังหวัดปุริลำเพื่อเพลนี้ คุณอำนาจอเมริกันได้ถูกย้ายจากอำเภอโชคชัยมาเป็นในอำเภอที่นั่นพอดีไม่ได้พราะคนเขา้าก็ภาคภูดีใจยายพักอยู่พอสมควรแล้วได้ลาในอำเภอเดินทางไปประเทศเขมรในอำเภอก็เป็นธุรา จ, จัดออกหนังสือเดินทางชั่วข่าวให้ต่อจากนั้นก็ได้เดินทางไปทางประเทศเขมรตำ่ำถึงบ้านชะลอกอำเภอผ่านดงใหญ่ถึงอำเภอสวายเจ จากอำเภอสวายเกดินต่อยๆไปจนสี่สุพลเมื่อถึงสีสงส่สุพนได้มีประชาชนมาสนทนาธรรมด้วยประชาชนเหล่านั้นได้เกิดความเริ่อมสายศรัทธาเดินตามราวเป็นฝูงเมื่อได้ลัจากเขาบางคนทั้งหญิงทั้งชายพากันร้องไห้ที่อำเภอสวายเกดมียมคนหนึ่งนับถือเรามากในพาลูกสาวมาคุยด้วยทุกๆวันลูกสาวเขาบอกกับเรา ว, ว่าเขาไม่เคยมีสามีเลย ท่านรู้สำเนียงเขาอยากให้เราอยู่ในเมืองนี้เขาจะยินดีช่วยเหลือเราทุกๆอย่างขอให้อยู่ถึกนานวันเขา้เขาก็จะแกรู้สึกชอบพอกันมากขึ้นทุกทีเห็นถ้าจะไม่ได้การเราต้องรีบหนีไปจึงได้ลาเขาออกเดินทางตรงลงมาทางทิศตะวันตกถึงอำเภอศรีสพุพลเดินทางต่อไปถึงจังหวัดพัทลังไปพักอยู่ที่ป่าช้าวัดตะเอ็งอยู่ห่าง จากในตัวเมืองประมาณหนึ่งกิโลเมตรได้พบโยมคนหนึ่งเป็นเพื่อนของคุณอำนาจอมริกิจและทำการต้องรับอย่างแข็งแรงแนะนำให้รู้จักใครต่อใครมากมายเมื่อได้พักอยู่พอสมควรแล้วก็าลาเขาเดินทางต่อไปยังจังหวัดเสีย ม, มาราฐไปพักอยู่ในดงที่ปาชาแห่งหนึ่งและมีคนมาทำบุญด้วยต่อจากนั้นได้ออกเดินทางไปพักที่นครบัตไปที่ยดูวัตถุโบราณของเก่าๆมากมาย ได้พักอยู่ที่นคนรวัดสองคืนวันแรกได้ชั้นจังอันวันที่สองไม่ได้ชันรู้สึกว่าเวลาออกบิณฑบาตไม่ค่อยมีคนใส่บาตจึงตัดสินใจว่าเราไม่ต้องกินวันนี้ใ น, นการเดินทางไปคท้งนี้ได้มีลูกศิษย์ติด ต, ตามไปสองคนเป็นเด็กพระอีกสององค์รวมเป็นห้าคนด้วยกันออกจากนกคนรวัด ได้เดินทางต่อไปอยังเมื อ, นองนครพนมได้เดินทางขึ้นไปบนภูเขาลูกหนึ่งเป็นภูเขาที่ใหญ่โตและสูงมากมีที่สงัดวิเวกดีน้าท่าก็บริบูรณ์เขาเรียกว่าพนมกิเลนบนยอดเขาสงูงลูกนี้มีต้นิ้นจี่ป่ามากมายมีลูกแดงสุขรามคําว่าพนมกิเลนแปลเป็นภาษาไทยว่าภูเขาลิ้นจี่ป่า มีบูบ้านเต็กประมาณ20หมู่อยู่รอบๆเขาได้ไปพักอาศัยอยู่ที่วัดโวนแห่งหนึ่งมีพระพุทธ ร, รูปแกสลักติดไว้บนเนื้อผาใหญ่ได้พักอยู่ที่นี่ประมาณ 3-4 มสี่คืนระหว่างพักอยู่ได้ถือโอกาสไปเที่ยวดูถ้ำต่างๆใกล้ๆที่พักมีบ้านประมาณ10บหลาตอางคารืนพอได้อาศัยบินตลาด ท, ที่วัดจย น, นีมีพระกหม่ออายุ ป, ประมาณ15บาปีหนรูป องนี้ตาเสียหนึ่งข้างมีลูกศิษย์อยู่หนึ่งคนงว่างก็นั่งคุยธรรมกับท่านส่วนถ้า น, นั้นมีอยู่สองถ้ำถ้ า, นานหนึ่งได้พักอศาศัยอยู่กับจิตทำดิสง่งอยู่ห่างจากถ้ำค า, าประมาณห้าวามีเสือใหญ่มาอาศัยอยู่แต่ในขณะนั้นเป็นเวลาเดือนเมษายนมันได้ออกไปอยู่ป่าตาําถึงฤดูขบันซาจึงกลับเข้ามาอยู่ถ้ำถังเคย ทอนปได้เดินทางออกจากถ้ำไปพักอยู่ที่วัดชวนําเดิมได้พักอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วได้ออกเดินทางตรงจากภูเขาทางด้านทิศตะวันตกใช้เวลาเดินทางข้ามเขาประมาณสิบชั่วโมงเศษจึงถึงที่ดาบแล้วได้เดินทางผ่านมาทางทิศใต้ของภูเขาพักอยู่ในป่ากใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีโยมเล่าเรื่องแปลกประหลาดต่งางๆให้ฟังก็นึกชอบใจ เรื่องที่เขาเหล่านั้นมีใจความดังนี้มีเขาสามลูกอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณแปดสิบเส้นบนภูเขาสามลูกนี้มีป่าเต็งรังมีท่า น, น้ําไหลผ่านเรื่องที่น่าแปลกประหลาดก็คือถ้าใครจะตัดไม้ในบริเวณภูเขาสามลูกนี้มักเกิดตายโหงหรืมิฉะนั้นก็เจ็บป่วยหรือมีอาการเป็นไปต่างๆอยู่เสมอเสมอ ลากลางคืนที่เป็นวันทำสันะปรากฏมีแสงสว่างพุ่งออกมาจากยอดภูเขาสูงลูกที่สามเคยมีผระสงค์ไปจำพรรษาอยู่บนยอดเขาลูกที่สามบางทีก็ต้องหนีไปกลางบรรษาเนื่องด้วยปรากฏมีดมมีฝนบางทีก็ฟ้าผ่าเมื่อเป็นจะมีจึงอยากให้มนต์เราให้ขึ้นไปพิสูดูว่ามีอะไรอยู่บนยอดเขานั้น ในวันรุ่งขึ้นจึงได้ออกเดินทางไปบนภูเขารูปที่สามเมื่อขึ้นไปถึงแล้วได้ตรวจพิจารณาดูสถานที่รู้สึกเป็นที่พอใจและน่าอยู่อาศัยแต่สิทธิ์ที่ติดตามไปตางคนต่างพากันหวาดกลัวร้องทุกข์ไม่อยากให้เราอยู่ในที่นั้นในที่สุดต้องพากันกลับลงมาขากลับได้เดินทางผ่านเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งและผ่านออกไปพักอยู่ในป่าที่สงัด พอวันรุ่งขึ้นได้ออกไปบินทบาทในหมู่บ้านนั้นได้มีหญิงแก่คนนั้นเอือขันข้าววิ่งตามมาข้างหลังร้องตะโกนดักหน้าดักหลังเลยต้องหยุดรอให้แกได้นั่งใส่บาทเมื่อรับป่าเสร็จแล้วก็เดินทางกลับที่พักแต่ได้เดินตามมาด้วยเมื่อถึงที่พักแล้วแกได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้จนสว่างฉันได้ฝันไปว่ามีคนคนหนึ่งมาบอกว่า ให้รีบปลุกขึ้นจัดค่าปลาอาหารเตรียมสายบาดพระธุดงค์จะมาโปรดแกจริงได้รีบขึ้นจัดการเตรียมการอย่างแก่ฟันพอดีได้พกเราในเวลาบินธบาตจริงๆแกมีความตื่นเต้นมากแต่ได้รับาให้ฟังอย่างนี้ถึงเวลาเย็นชาวบ้านได้ปาประกาศบอกกล่าวกันให้มาฟังเทศพอตกเวลาค่าได้มีชาวบ้านพากนมาฟังเทศมาก ตเองได้เข้าไปวนเวียนอยู่ในประเทศขมิญเป็นเวลาเดินเศษจนสามารถแสดงธรรมเป็นภาษาขมิญได้ฟังรู้เรื่องกันดีอยู่ต่อมาไม่กี่วันได้ทราบข่าวจากโยมว่ามีพระขมิญที่เรียนพระตรปิดกสามารถแปลภาษาบาลีได้คล่องอยากจะมาไล่ธรรมะกับเราจึงได้ตอบกับโยมว่าไม่เป็นไรให้เขามาเถิดรุ่งขึ้นเวลาบ่าย ถ้าขมีนรูปนั้นก็ได้มาจริงจึงได้จ่ายธรรมถกทิงธรรมะคันได้ต้นความเข้าใจในข้อปฏิบัติของการลคันเป็นอย่างดีเรื่องเป็นไปด้วยความสงบระงับเรียบร้อยไม่มีเหตุการณ์อนไรเกิดขึ้นได้พักอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายวันจนเกิดความสนิสนมกับบรรดาญาติโยมอย่างมากมายต่อจากนั้นได้ล่ำลาญาติโยมเพื่อเดินทางกลับไปยังอำเภอศรีโสพล ญาติโ ย, ยมหญิงชายก็ได้ทำการส่งเสียติดตามกันมาเป็น ท, ทอทๆเมื่อถึงอำเภศรสีสปลนแล้วได้พักอยู่สองคืนแล้วได้ออกเดินทางไปเยี่ยมถ้ำบนภูเขาแห่งหนึ่งเป็นที่สงบวิเวกดีมีพระจีนองค์หนึ่งได้มาอาศัยวิเวกอยู่ในถ้ำนั้นจึงได้สนทนาธรรมา ก, กันเกิดความชอบพอถูก อ, อกถูกใจกันแก่ได้ชวนให้อยู่จำพรรษาด้วยกันในถ้ำนั้นแต่ลูกศิษย์ไม่อยากจะอยู่ ต่อจากนั้นได้เดินทางต่อไปจนถึงเขแตแดนอำเภออรัญญประเทศเข้าเขตประเทศไทยได้พักอยู่ทีอ่อำเภออรัญญประเทศพอสมควรแล้วก็ออกเดินทางไปวิว่งไปตามชายเขาบรรทัดตัดเข้าดงลึจกจะข้ามเข้าเขตจังหวัดนครราชสีมาทางช่องบุกพร้ามขณะนั้นเป็นเวลาโจรเข้าพรรษามีฝนตกมากตลอดทางทากชุม่มการเดินทางไม่ค่อยจะสะดวก จึงพากันเดินบกออกมาทางชายแดนเขาพผง อ, อกเดินทางเรื่อยไปทางช่องวังหอกจนถึงบ้านตะเคาอําเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีเส้นทางช่องวังหอกนี้ถ้าเดินตรงเรื่อยไปข้ามโด่งอีกดงหนึ่งก็เ ข, ข้าเขตอําเภอจริงสกแกรากและถึงจังหวัดคนครราชสีมาแต่ต้องลงใจไม่เดินทางต่อไป เพราะฝนกำลังตกชุกมากและได้อยู่จำพรรษาในหมู่บ้านตะครอนนี้